ยั้ไงไปเยียมลูกมาเลยเจ้าค่ะอยู่เมืองอะไรอยู่เมืองอะไรอยู่สตุกรกสตุกรกีไปทำโทรเลยเจ้าเขาจะไปเรียนนานไหม ภาษาก่อนนะเขาเรียนภาษาานแล้ว่จะว่าจะเรียนจบปีรีจะจบแค่นั้นเองยังไม่มีกำหนดเนยก็ตอนนี้ก็เหลือเวลาสองปี น, ะนะเรียนไปทาไมเรียนนะนก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมตรองเรียนแล้วไม่แก่เจ็บตายดีกว่า เนปดียวก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหน่อกลับมาเรียนหน่อยชาหน้าก็กลับมาเรียนอนุบาลใหม่เรียนป .1 ป .2 หนยเรียนปัญญาตีโทหน่อยไม่เรียนมากผลไม่ผ่านเนี่ยไม่เรียนโสดาปิัติผลเส สกิดาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลเดี๋ยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำซากเรียนคนเดียวผ่านแล้วผ่านเลยผ่านโสดาแล้วก็ผ่านเลยไม่กลับมาเรียนโสดาอีกผ่านสกิดาคามีก็ผ่านเลยไม่กลับมาเรียนซ้าอีก ถ้าเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนป ร, ริญญาเดี๋ยวก็จะกลับมาเรียนใหม่เกิดมากี่ชาติก็เริ่มต้นใหม่ต้องกลับมาเรียนเรื่อยๆเยหนื่อยแหมล่ะส่งไปเยอะมันเนี่ยก็ น, น้อยกว่าเดียดเดียวตัวเดินโซดามันง่ายกว่าให้นั่งเฉยๆเนี่ย มันไม่ต้องเสียเนี่ยไปบวช3เดือนนี่ก็ได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารับรองไม่เจวันก็เจเดือนไม่เจเดือนก็เจปีเรียนในมหาลัยพุทธศาสนาเรียนได้สบายไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำๆเายไม่ต้องกลับมาเกิด ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะะันเป็นยาทั้งหลายเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายยังต้องเสีย อ, อกเสียใจยังต้องโกรธยังต้องน้อยเนื้อต่าใจได้อะไรไม่ถูกใจก็โกรธเสียใจ ทำไม่ได้ก็เสียใจได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเอาคำพอดีไม่เจอมนุษย์เลางนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอทาไม่ได้ก็เสียใจอีกมีแต่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น mm hmm. ทุกข์ทั้งซ้ายทุกข์ทั้งขวาทุกข์ทั้งข้างหน้าทุกข์ทั้งข้างหลัง ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนทุกหมดอยากอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกอยากได้แล้วได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็ทุกอีกอยากได้ก๋วเดี๋ยวได้ขาต้มมาอย่างนี้ก็ทุกอีกอยากได้มาแล้วก็ทุกอีกไม่พออยากได้เพิ่มอีก ได้ปริญญาตีแล้วไม่พอทั้งอย่างได้ปริญญาโทเนี่ยได้ปริญญาโทแล้วอาจจะอยากได้ปริญญาเอกองได้แล้วก็อยากได้งานทําดีๆพอได้งานไม่ดีก็ทุกข์อีพอได้งานดีก็ทุกข์กลัวจะตกงานอีก มันมีแต่ทุกข์ตลอดทางนี่มันทางแห่งความทุกข์กันทางแห่งความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นสโสดาบันแล้วไม่ทุกข์กับร่างกายนะไม่ทุกข์กับการเสื่อมของลาบยศสันละเสริญโสดาบันนี่ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตาย แต่ยังทุก์กับแฟนอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่สวสดาบาลนี่ยังยังเห็นคนนั้นน่ารักคนนี้ น, น่าชื่นชมเนี่แต่พอพิจน า, าสุภาแล่ะทีนี้ก็ไม่น่ารักแล้วเป็นผีผีดิบทั้งนั้นผีที่ยังหายใจได้พอไม่หายใจก็กลายเป็นผีผีดิบไป พ อ, อยังหาใจอยู่ก็เรียกว่าคนถ้าไม่พิจรารณาสุธากานาลักก็อยากอยากมีแฟนอยากได้เขามาเป็นแฟนพอได้มาเป็นแฟนก็ทุกข์อีกต้องมาห่วงเขาอีกแล้วถ้าเกิดเขาไม่รักเราอีกก็ห่วงก็ทุกข์อีกถ้าเขาทิ้งเราไปมีใหม่ คนใหม่ก็ทุกข์เอ <Yeah. S 1> แต่พอเห็นว่าเป็นอสุภะก็ไม่เอาเลยเหมือนกับเวลาถ้าแฟนตายนี่ไม่เก็บไว้ที่บ้านอะพอไม่มีลมหายใจนี่ไปเลยใครอยากได้เขาไปเลยยกให้ <c oughs> yeah. อาณาคามีจะเห็นคนตายไม่เห็นคนเป็นเห็นครเห็นคนไหนก็ตายทั้งนั้น เป็นสร้างศพเดินได้เป็นผีดิบเดินได้เห็นข้างในเห็นอาวายวะต่างๆเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นลำไสเ้เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกาย ก็จะไม่มีความอยากมีแฟนอีกต่อไปอยู่คนเดียวสบายกว่าอันนี้ก็ไม่ทุกข์กับใครเลยทีนี้ไม่ทุกข์กับมนุษย์เลยไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสนไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความหิวไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป ไม่ต้องมาเรียนอนุบาลไม่ต้องมาเรียนประถมไม่ต้องเรียนมัธยมไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องมีแฟนมามีครอบครัวแล้วก็มาทุกขกับครอบครัวทุกขกับแฟนเดี๋ยวก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็ต้องต่อนอกต่ออะไรอีกเตรมเงนไว้ได้ยังไย เดี๋ยวมันต้องไปเมืองนอกครับเนี่ยแต่เรานี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อ้วนนะพูดความจริงเวลาเราไปเรียนนอกเราไม่รบกวนพ่อแม่เราทำงานเก็บเงินก่อน พอมีงินซื้อตั๋วเครื่องบินมีเงินไปตั้งหลักได้ก็ไปแล้วส่วนทางบ้านแล้วแต่เขาเขาอยากจะส่งมาก็ส่งไม่ส่งม า, มมมมาก็ทํางานไปเรียนไปคิดอย่างนะั้นเขาก็ส่งไปแต่ส่งไม่ครบส่งได้ครึ่งหนึงอีกครึ่งก็ต้องทํางานอ อันนี้ไม่ได้คุยในความจริงจบแล้วไม่ได้ไปทันทีต้องทํางานอยู่ปีครึ่งปีกว่ า, กวาเก็บเงินได้ค่าเครื่องบินได้เงินสําหรับไปตั้งหลักปีแรกมา mm hmm. ไปได mm hmm. ้แล้วปิดเทอมก็ทํางานปีแรกก็ไม่ต้องทํางานช่วงเดืนอนเพราะมีเงินสํารองอยู่พอปีที่ สองผ่านไปนี้หมดแล้วเงินสำรองนี้ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยสาว์ติธิด์ก็ทำงานศุกร์สาว์ติธิด์เย็นวันศุกร์ก็ทำงานแปดชั่วโมงเข้าเข้าห้าโมงเยน็นออกตีหนึ่งทำงานล้านอาหาร <c oughs> สาว์ติธิด์อีกเหมือนกันสามคื น, นเวลาเรียน ช่วงเรียนนี้วันศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์นี่ต้องเรียนต้องทําการบ้านไว้เพราะเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาทําอำก็เรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนว่างเวลังเวลาว่างก็ไปห้องสมุดไปทําการบ้านไปทําอะไรมันก็มันก็มันก็ดีมันก็ไม่มีเพื่อนไม่ฝูงมันไม่ยุ่งกับใครมันก็เรียนของมันไปของมัน แต่เวลาไปทำงานมันก็ไปทำงานช่วงช่วงแรกช่วงที่ไม่ได้ทำงานแรกๆช่วงที่ตอนที่มีเงินสำรองหมดยังหางานไม่ได้ก็มีเงินเหลือแค่กินแค่วันละมือ <c oughs> ก็กินวันละมือไป <c oughs> กินวันละมือจนกว่าได้งาน ได้งานแล้วก็ได้กินฟรีไป็นทำงานร้านอาหาร ม, มีอาหารฟรีให้กินตอนต้นก็ต้องไปล้างถ้วยล้างชามก่อนงานที่หาง่ายที่สุดก็งานล้างถ้วยล้างชามทำไปสักพักเขาก็เลื่อนให้มาเป็นผู้ช่วยทำกับข้าวทำกับข้าวเป็นกุ๊กไป ทําไปสักพักก็เริ่มได้เป็นกุ๊กเดือนเดือนก็เพิ่มขึ้นงานก็สบายชีวิตมันไปของมันเองอถ้าเราไม่ถอยถ้าเราสู้สัยอย่างมันมีทางไปถ้าเราไม่ไปพคิดพึ่งคนอื่นพึ่งตนเองมันไปของมันได้ตอนที่ยับ ไปเมืองนอกพ่อแม่ก็ไม่ได้พูดถึงว่าจบแล้วจะเรียนต่อที่ไหนไม่เคยถามเห็นเราทำงานเขาก็ดีใจแล้ะ mm hmm. เราต้นต้นก็ไม่คิดว่าจะไปแต่นี่มันทำไปทำไปเงินมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเช็กดูค่าใช้จ่ายมันก็เห็นว่าพอสู้ไหวก็เลยไป mm hmm. ใช้ใจ่ายขั้นต่ำไม่ได้อยู่ยแบบหรูหราอยู่แบบอะไรหรอกไปพักอยู่ตามหอพักตอนต้นก็ไปอยู่บ้านของคนคนที่เขามีคนแก่มีห้องว่างเขาก็ให้ให้นักศึกษาเช่าทำอาหารเช้าให้กินด้วยมีอาหารเช้ามีอาหารเช้ากับอาหารเย็นอาหารกลางวันหากินเอง สาวาทิตยากินเองทำไมนั้นถูกเดือนละแปดสิบเหรียญทำไมนั้นเดือนละยี่สิบก็แค่พันหกมีห้องให้ห้องห้องนอนเช้าก็ทำอาหารเช้าให้กินไข่าดาวหมูแฮม <laughs> เย็นก็มีอาหารให้ แต่ก็ไม่มากก็ไม่น้อยพอดีเสื้อผ้าซักเองไปมีร้าน ม, มีมีร้านที่หยอดเหรียญตู้ซักเสืส้อผ้าซักวันเสาร์อาทิตย์ปีสองปีแรกไปใหม่ๆยังไม่ค่อย ชิเงินสถ า, านที่ก็เลยไม่ได้ไปทามาทางานไม่มีรถทำงานมันต้องมีรถเพราะที่นั่นมันรถเมย์ไม่มีมีมี ม, มีแต่มันมีไม่ไม่ทั่วถึงก็เลยต้องรอหัดขับรถให้เป็นขับรถคือขับเป็นแล้วแต่ไปขับที่บ้านขับขับคนละข้างกันก็เลยยังไม่กล้าขับะ อยู่แคลิฟอร์เนียอยู่ตอนต้นไปอยู่เมืองอยู่ที่เมืองเฟรสนูเฟรสนูอยู่ทางระหว่าง l ออกับซานฟรานอยู่กลางเป็นเมืองไม่ใหญ่เป็นเมืองก็ปานกลางมีประชากรอยู่สองสามแสนเป็นเมืองที่ศูนย์กลางของ กเกษตรกรรมแล้วนั่นก็จะปลูกพวกผลไม้เยอะพวกแอปเปิ้ลพวกอะไรต่างๆ แ, แล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยแต่มไม่ได้มีเวลาไปไปดูเวลาเรียนหนังสือมันก็ต้องไปเรียน ไห ม, ม, ม, ม่ไม่มีรถก็ไปไหนไม่ได้ไปเช่าหอบ้านพาักก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเดินเดินเดิ น, ดนแค่ห้านาทีเดินไม่ถึงห้านาทีสองสามอยู่ติดกันเลยก็เลยไม่ต้องใช้รถ <c oughs> ต่อมาพอําเป็นจะต้องไปทำงานก็เลยซื้อรถซื้อรถแล้วก็ก็เลยไปเช่า อาาพาราตมมนไก่จากโรงเรียนได้รับรถไปทำงานรับรถไปโรงเรียนแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มค่าน้ำมันค่ารถท่าซ่อมรถใหม่ๆซื้อรถเก่าซ่อมอยู่ด้วยวิ่งได้สามสี่วันก็เสียตอนนันก็เลยเอารถเก่าไปไดาวซื้อรถใหม่ออกมาแล้วผ่อน ก็เลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เลยต้องทำงานทำถวายได้สนะมัยก่อนค่ะ สมัยลักๆค่าเรียนถูกหน่วยกินละห้าเหรียญเท่านั้นเองวิชา 1, ห น, นึ่งก็สิบห้าเหรียนสามร้อยก็ดีอ๋อท่านส่งไปให้เลยค่านสั่งให้ไ ป, ไปอ๋อทุกกับการเรียนเหน็ดเหนื่อยกับการเรียน กลับมาก็ทุกกับการหางานเรียนมาแทาตายจบได้วิศวะกลับมาได้กลับได้งานทําเป็นผู้จัด ก, การร้านขายไอติม <c oughs> <c oughs> ไม่ไปเรียนก็กทําได้งานนี้แต่เงินเดือนก็เท่ากับเงินเดือนก็เท่ากับวิศวะทําให้กับฝรั่งร้านอาหารร้านไอติมของฝรั่ง ฝลังงจ่ายดีฝรั่งถามว่าจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ล้วก็บอกเอาเดี๋ยวไปถามตามโรงแรมก็แลวกันเขาจ่ายให้ผู้ช่วยผู้จัดจการโรงแรมทางแผนกอาหารเขาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นตอนนั้นก็กให้สามพันห้าถ้าไปเรียนวิทรรมวิศรรวศรรกะก็ค่าสามพันเป็นผู้จัดการไล่ติมดีกว่าสามพันห้า แล้วอยู่กลบ้านบ้านอยู่นาเกลอาร้านอยู่ที่ปทียาใต้นั่งรถสองแถวบาทเดียวก็วไปทำวิศาวะาต้องไปอยู่กรุงเทพต้องไปเชาาบ้านต้องต้องโหนรถเมย์ไม่พอใชหละสามพันก็เลยทำงานผู้จัด ก, การให้เต็มดีกว่าก็เลย โชคดีเป็นผู้จัดการมันก็สบายพี่ไม่ต้องคอยคุมล้านอย่างเดียวรันต้นก็ตั้งระบบจัดการให้มันมาหารของมันได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คอยคุมลูกน้องนี่ก็มีเวลานั่งกินกาแฟนั่งอ่านหนังสือก็เลยได้มีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะในช่วงนั้นครั้งแรก เราก็ได้รู้จักวิธีนั่งสมาธิก็เลยลองนั่งดูนั่งแล้วก็ดีดีว่าเอ้ยนั่งแล้วสบายใจยใจสงบดีเย็นสบายลืมเรื่องราวต่างๆทำงานก็เครียดแต่นั่งสบายก็ลเลยลาออกจากงานดีกว่าทำได้ประมาณหกเดือนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งหก เ, เดือนเดือนสามพันกว่า กเก็บได้ประมาณหกพัน 6, มัน้งหกเดือนเก็บได้เดือนละพันต่อแบ่งให้แม่ด้วยนัะแบ่งให้แม่เก็บไว้ใช้เอง mm hmm. ก็เก็บนะเลยเ mm hmm. รา อ, อยู่เดือน 100, mm hmm. ละพันเวลาจะออกมีหกพันก็คิดว่าคำนวณดูแล้วอยู่ได้ปีหนึ่งถ้ากินข้าววันละมือ้อ mm hmm. อาหารตอนนั้นก็ถูก ก๋เตี๋ยวชามาสองบาทข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงสาบาทกินสองจานก็กินสองอย่างก็หาบาทก็อยู่ได้ละวันต้องการเวลาต้องการเวล า, า, วลาที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอ่านหนังสือธรรมอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครมีบ้านอยู่คนเดียวเป็นห้องเป็นห้องแถวอยู่ห้อง ตอนนั้นตลาดใหม่หน่าเกินมันยังเงียบอยู่ยังไม่มีร้านค้าเขาส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อที่ตลาดเก่ากันตลาดใหม่ตอนนั้นเลยเงียบก็ดีเพลิดเพลินดีอยู่คนเดียวบางทีเบื่ออยู่ในบ้านก็ไปนู่นแถวชายทะเลนูน่นไปอยู่แถวโขดหินแถวรับหูรับตาคนมันไม่นั่งสมาธิ ไปแช่น้ำนั่งสมาธิกลางแดดร้อนก็นลงไปแช่น้ำสบายมีความสุขอยู่คนเดียวอางทีก็ไปนอนที่เกาะลานเ <c oughs> กาะเรือเข้าไปมีเรือไปมารู้จักคนขับก็ขออาศัยเข้าไปซื้อกล้วยซื้อส้มไป เป็นอาหารเป็นน้ำชอบไปอยู่คนเดียวชอบไปหาที่มันน่ากลัวอยู่เวลาน่ากลัวมันทำให้พุโทโธดีนั่งสมาธิดีแล้ว <c oughs> ก็ไม่หิวมากไม่ต้องกินมากกินส้มกินกล้วยก็อยู่ได้ พอครบปีเงินจะเงินหมดก็เลยต้องตัดสินใจเลือกทางว่าจะไปไหนต่อถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปบวชถ้าไม่อยากบวชก็ต้องไปทํางานถ้าไม่ทางานเขาต้องกลับไปเรียนต่อกลับไปกลับไปหาเงินที่เมืองนอกต้องอยู่ที่เมืองไทยหาเงินไม่ได้ไม่เอาแล้ว งานไม่เอาขี้เกียจเรียนบวชดีกว่าตอนต้นก็ไม่อยากจะบวชใจมันก็กิเลสมันก็ไม่ยอมให้บวชกิเลสมันก็มันก็อยากจะอยู่ตามอิสระพอไปบวชก็เหมือนจับจับเข้าไปขังอยู่ในตรงต้องไปอยู่ในวัดต้องโกนหัวต้องนุ่งนี้ต้องอยู่กับภายใต้ครูบาจัง ชาวเอาว่าแต่มันไม่มีทางเลือกเป็นกรงแต่มันที่อยู่ฟรีข้าวฟรีมีเวลาปฏิบัติเอาอยู่ในกลงก็ได้บวชก็บวช <c oughs> ก็เลยบวช <c oughs> บวชแล้วก็ไปหาวัดที่มี แต่ในการปฏิบัติวัดแถวบ้านไม่มีวัดแถวบ้านมีแต่สวดมีแต่งานศพมีแต่งานพิธีมีเกตหนิมนอะไรพวกนี้ไม่มีใครนั่งสมาธิไม่มีใครปฏิบัติสมายนั้นเลยต้องไปแถวภาคอีสานวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ก็เล ไ, ได้ไปอยู่กับหลวงตาอยู่กเก้าพรรษาจบเก้าพรรษาก็กลับมาอยู่ที่พัทยาพรรษาสิบอยู่ที่พัทยามาดูแลพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งพอพ่อตายออกพรรษาก็มาอยู่วัดยาเ น, นี่ยพรรษาออกพรรษาสิบก็มาอยู่วัดยาเริ่มพรรษาสิบเอ็ดที่นี่ นี่มันสี่สิบสามพันษาสิบสามผ่านแล้วนะก็สามสิบสองพันษาอยู่ที่วันหย่านี่อยู่ตอนต้นอยู่ข้างล่างอยู่สองวันษาวันษาที่สามก็มาขึ้นมาอยู่บนเขาปีสามศูนย์อยู่ถึงหกศูนย์นี่หกศูนย์ะ3าสิบพันษาแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นอนข้างบนแล้วตอนเย็นก็ลงไปนอนข้างล่าง ข้างบนนี้มันต้องปีนป่ายต้องคอยปีนขึ้นไปเก็บใบมุง้งใบไม้ออกจากาำ น, น้ำก็ต้องรองน้ำฝนข้างบนนี้ไม่มีน้ำใจน้ำฝนต้องคอยคอยออกไปรองน้ำเวลาฝนตกก็ต้องฝนตกใหม่ๆก็รองไม่ได้น้ำมันเปื้อนรอสักพักหนึ่งบางทีมันตก ตีหนึ่งตีสองก็ต้องออกมาลองพอนานๆมันจะตกสักทีอยางนี้มันไม่กล้าปีนป่ายกลัวเดี๋ยวตกมากระดูกหัก <c oughs> ก็เลยลงไปอยู่ข้างล่างข้างล่างมีน้ำมีไฟสบายหน่อยเช้ามืดก็ไม่ต้องถอเดินลงไปได้ละตีสี่เดินลงไปเพื่อให้ทันวินทบาท เดินไปกลางทางบางทีก็เจอฝนตกบางทีลืมมาร่มไปก็เปียกโอ้ยสารพัดปัญหาอยู่บนเขานี่ไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีแต่ก็มีคนชอบมาอยู่นะเต็มนะมีคนพระเต็มหมดกุฏิเต็มหมด คนที่ชอบปฏิบัติแล้วความทุกอย่างลำบากเหล่านี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะสถานที่ของความสงบนี้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการเจริญสติเจริญสมาธินั่งสมาธิจิตก็สงบง่ายไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่เหมือนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงรถเสียงลา แล้วก็อยู่ใกล้ไฟฟ้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมของกินของใช้เต็มไปหมดมันก็เลยมีแต่ของมาล่อหลอกใจอยู่ตลอดเวลาแต่มาอยู่ข้างบนนี้มันไม่มีอะไรมาล่อมาหลอก น้ำปานะก็ให้มาฉันที่เดียวไม่ให้เก็บไว้ที่กุติกุติก็ฉันแต่น้ำเปล่าน้ำชากาแฟก็มาฉันที่นี่มีนงน้ำปานะขาวของน้ำอะไรต่างๆที่ญาโ ย, ยมถวายก็ไปรวมไว้ที่นั่นใครต้องการก็มาเอามาฉันที่นี่กันฉันวันลหนตอนบ่าย <c oughs> ความทุกข์ยากทางร่างกายมันทำให้ใจเข้มแข็งถ้าใจเข้มแข็งก็อยู่ไม่เข้มแข็งก็อยู่ไม่ได้มันถูกบังคับให้เข้มแข็งโดยโดยอัตโนมัติเมื่อมันเข้มแข็งมันก็มีสติมีปัญญา มีความเพียรมีขันติมันก็เลยนั่งสมาธิสู้กับทุกขเวทนาได้เดินจงกรมเป็นชั่วโมงได้อดข้าวกันาบางทีก็อดข้าวกันบององค์ก็กินวันเว้นวันฉันวันเว้นวันไม่ฉันทุกวันบององค์ก็อดเที่วสามวันบ้างห้าวันบ้าง อแล้วมันบังคับให้เราเข้มแข็งทําให้จิตใจเราต้องเข้มแข็งต้องสู้กับความหิวมันก็ทําให้มีสติดีเวลานั่งสมาธิจิตก็สงบง่ายความง่วงนอนก็ไม่มีไม่เหมือนเวลากินเนี่ยกินเยอะๆอิ่มเนี่ยนั่งนั่งแล้วจะหลับนั่งแล้วจะเองไปซังซ้ายเองไปนังขวาเอ ง่วงแต่ถ้ามันหิวมันนั่งตัวตรงเหมือนตอแล้วมีที่มันน่ากลัวด้วยในปน่านี้ตอนคืนลองเดินออกมาเดินดูเลยเดินแบบไม่ฉายไฟดูจะได้ฟงความตายกันเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปกลัวตายทำไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย สู้ยอมตายดีกว่ายอมตายแล้วหายกลัวเนี่ยที่อย่างนี้มันดีอย่างนี้มันมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมมากแต่ถ้าอยู่ที่ที่ปลอดภัยมีแสงสว่างมีไฟมีอะไรความกลัวตายมันไม่มีวันที่จะหมดเพราะมันไม่มีโอกาสจะโผล่มาให้เห็นอยู่ที่ปลอดภัยมันก็เลยไม่กลัวตาย ก็เลยเก่งคิดว่าเก่งต้องมาเจอของน่ากลัวที่แตกนะถึงจะรู้ไม่แก่เวลาอยู่ที่ปลอดภัยนี่เก่งกันทุกคนนะร้อยมาอยู่ที่น่ากลัวไม่มีใครมาอยู่กันะเก่งจริงก็มาอยู่ได้อยู่คนเดียวในป่าด้วย เนี่ยทำมันเกิดในป่าเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องอยู่ในป่าถ้าเกิดในวงังท่านก็สบายเลยไม่ต้องมามาอยู่ป่ามาทุกข์ยากลำบากกับร่างกายกับภัยต่างๆแต่มรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นในป่า เ, เวลาปลูกข้าวชาวนาเพราะว่าต้องหาที่ดี ดินดีน้าดีข้าวมันถึงจะงอกงามจะปลูกมะขผนนิพานก็ต้องหาดินดีน้ำดีดินดีน้ำดีของมะขผนนิพานก็คือตามป่าตามเขาที่ไหนมีเสือมีสัตว์ที่ไหนมีผีนั่นแ่ะที่เหล่านั้นเป็นดินดีน้ำดีที่ไหนไม่มีผีไม่มีสิงสารลาศนี่ไม่ดีน้าไม่ดีดินไม่ดี เห็นไม่มีพระในบ้านในเมืองบรรลุมรรคผลนี่พานกันบ้างหรืเปล่ามีแต่ภาคป่าเลยหลวงปู่ต่างต่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงหลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงพ่อรีหลวงตามหาบัว อุบาจารย์ต่างๆนี่วิแต่ผ้าป่าทั้งนั้นตายไปกระดูกลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นนี่แหละจะปลูกข้าวปลูกมรกผลที่ผ่านก็ต้องเลือกเนื้อนาที่ดีเนื้อนาบุญที่เป็นบุญที่ดีน้ำดีไม่ใช่ปลูกข้าวไปปลูกบนเขานี่ยปลูกไปก็ไม่มี ไม่มีดินไม่มีนะปลูกมันก็ไม่ออกดอกออกผลเนี่ยลองมาปลูกข้าวบนนี้ดูเลยข้าวบนนี้ต้องปลูกมากผลนิพานถ้าจะปลูกข้าวต้องลงไปปลูกข้างล่างถ้าปลูกตามวัดบ้านก็ได้ได้ลาบยศสรรเสริญได้ตำแหน่งได้ปัจจัยเงินทอง มาสร้างวัดให้สวยงามสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิเห็นไม้มวัดว่าเดี๋ยวนี้น่าอยู่ไหมสวยงามนะเป็นทางท่องเที่ยววัดยา น, นี่เป็นยังไงดูสวยงามแต่ไม่มีมรรคผล น, ผนิพพานถ้ามีมรรคผลนผิพพานก็ไม่สวยไม่งามเนี่ยก็ต๊อบเนี่อยู่อะไะ เสามันยังไม่ตรงเลยคือดูนยะเส า, ามันยังไม่ ไ, มได้สูนเลยแต่แต่มันก็อยู่ได้นะเสามันไม่ตรงเพะเหมือนที่อื่ น, นเอ็นไปซ้ายเอ็งไปขวาเอ็ไปข้างหน้าเอนไปข้างหลังสมัยที่เขาสร้างเขาก็ขนไม้เก่าที่ญาติโยมรื้อบ้านเก่ามาไม้พื้นเนี่ยเป็นไม้เก่าแบกกันขึ้นมา ส่วนไม้เสาก็มาตัดต้นไม้บนนี้ไม้ตอนต้นก่อเมื่อก่อนไม่ได้มุงด้วยสังกะสีมุ่งด้วยญ้าทีนญ้ยยามันสี่ห้าปีมันก็ผุหมดแล้ะเปื่อยต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยก็เลยเอาสังกสีดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาคอยลื้อคอยมุงอยู่เรื่อย นี่ก็เปลี่ยนมาครั้งที่สองนสังกสีตอนนี้มันสร้างมานั่นลปีสองหกนะศาลาหลังนี้สามสิบสี่ปีแล้วมิถุนาเดือนนี้ประเดีมิถุนาสองหกสามสิบสี่ปีก็ทำไปตามมีตามเกิดตามไปตามความเป็นจำเป็นตอนนี้มีญาติอยู่มา นั่งสมาธิฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันตอนต้นก็วิตกว่าไม่รู้จะเอาที่ไหนมานั่งกันตอนต้นคิดว่าจะขยายศาลาก็หาที่ขยายไม่ได้ก็ยาดิโยมก็ไม่ได้ว่าอะไรมาถึงมีเสือก็ปูกันนั่งไปตามพื้นตามเะรยราดิโยมก็จัดลำโพงจัดไมโครโฟนอะไรมาให้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีหน้าที่มานั่งนั่งคุยอย่างเดียว ของทั้งหลายนี่มีตาญาติโยมที่ศรัทธามามามาจัดการหมดเลยถ่ายทอดสดกล้องเครื่องอะไรนี่ซื้อกันหากันมาจัดสรรกันมาให้เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะเราไม่รู้เรื่องนะเรื่องเงินทองเรื่องการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่ได้บริจไม่ได้เรียกบริจาคไม่ได้บอกบุญมีตาญาติโยมคุยกันเองติดต่อกันเอง อยากจะสมทบอยากจะช่วยอะไรก็เขาก็คุยกับคนที่เป็นคนจัดการคนทำขาดแคนอะไรต้องการอะไรเขาก็ช่วยบริจาค ก, กันงานที่ทำตอนนี้มันเป็นงานทำทางเดินเป็นหลักว่าทางนี้มันทำมาสามสิบปีวมันเริ่มแตกเริ่มอะไรแนละ้ว ก็มีญาตยมเมตตามาทำให้ไม่ได้เรียกร้องค่าค่าใช้ใจ่ายอะไรทำด้วยความยินดีทำบุญก็เลยไม่ต้องเรียกไม่ต้องบอกบุญนะคอนใจบุญนี้เขามองเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรเขาเห็นอะไรขาดแค่นเขาก็ทำกันไม่ต้องให้ผ้าบอกเหมือน โบราณก็บอกตักบาตรอย่าถามพระนลวงพี่ขาดอะไรหรือเปล่าถามทําไมก็ดูเลยถามก็ล้องบอกไม่ขาดหรอกจะบอกว่าขาดได้ไงย <Okay. S 1> ินดีตามมีตามเกิดพระพุทธเจ้ hmm. าสอนให้พระยินดีตามมีตามเกิด บินธบาตก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดใครจะใส่อะไรใครจะให้อะไรมาใครจะทําบุญถวายอะไรก็ยินดีตามมีตามเกิดจะได้ไม่กุ้นวายใจเอาเวลามาวุ่นวายกับการต่อสู้กับกิเลสดีกว่าเอาเวลามาฝึกสติดีกว่าถ้ามัวมาคิดว่าขาดนู่นขาดนี่เดี๋ยวก็มีกิเลสหลอกให้ขาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสร้างอะไรนี่เสร็จก็อยากจะได้นู่นต่อ เดี๋ยวโยงกันหนีหมดแต่ถ้าไม่ขอในโยงก็ไม่เบื่อเขามาเรื่อยๆมาแล้วก็สบายใจเวลาเขาไม่มีทาเขาก็ไม่รู้สึกเปิดอาดใจมันเหมือนไปวันไหนบางวัดนี่มีขันมาอยู่เรื่อยมีบาทมาวนมาเวียนอยู่เรื่อยมีตู้บอยจาาไปทุกทุกซอกทุกมุม มีค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดเนะีค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารสัตว์ค่าอะไรร้อยแปดมาหาธรรมะดีกว่าวัดกวนจะให้ธรรมะกับญาติโยมให้ธรรมะให้แสงสว่าง ใจญาิโยมตอนนี้มันมืดมืดด้วยความความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสุขเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอด นะพอมันไม่เป็นก็นมาถึงจะรู้ทีหลังว่าอ๋อมันไม่เที่ยงแต่ก็สายเสียแล้วอน้ำน้ำาตาปกในไปเสีแล้วแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็หาใหม่พอมันต้องมีของพวกนี้ถึงจะอยู่ได้มันเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเสแล้วติดลาบยศสารเสริญติดรูปเสียงเกล็นดนสนเวลาไม่มีก็ทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการหาทุกข์กับการ มีทุกข์กับการพัดพากจากกันแต่ขณะที่มันยังไม่พัดพากจากกันก็ยังมีความสุขเนะี่ยมันจะมาทุกข์ก็ตอนที่มันหมดมันจากกันแต่ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันมันก็ยังสุขอยู่มันก็เลยเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะส่วนในสุขที่เป็นทุกข์แต่ส่วนที่เป็นสุขก็เห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยทําบุญนี่เป็นทุกข์ เวลาทำบุญนี่เสียดายเงินนะรักษาสีก็ทุกนั่งสมาธิก็ทุกนะเวลาทำมันทุกแต่เวลามันได้ผลแล้วมันหายทุกมันสุขมันต้องทุกก่อนสุขดีกว่าสุขก่อนทุกตอนนี้ยาตยโงมกำลังาหาความสุขสุขต้นแต่ทุกปลาย เดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายก็ทําหาความสุขไม่ได้นะหรือก่อนที่ยังไม่ทันแก่ของที่ได้มามันหมดไปก็ทุกข์ละพอเงินหมดนี่ก็ทุกข์ละพอคนนักจากไปก็ทุกข์ละก็เรยกสุขท้นสุขตอนต้นทุกข์ตอนปลายแต่ถ้ามาทาบุญทาทานนี่มันทุกข์ตอนต้นต้องสู้กับพิเรน อันนี้ทำกี่บาทดีเทียงกัินไหมเียงินมาหลายรอบกว่าจะได้ข้อสรุปมารักษาศีลนนดีไม่ดีรักษาศีนแปดดีไม่ดีไม่กินข้าวเย็นดีไม่ดีไม่ดูทีวีดีไม่ดีทุกเลยไม่นอนกับแฟนดีไม่ดี ทุกแต่มันพอมานั่งสมาธิตอนต้นนั่งสมาธิก็ทุกนั่งก็อึดอัดเนี่ยนั่งก็รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้ละทนไม่ได้่ถ้าฝืนสู้กับมันถ้าฟันฝ่าความทุกข์ได้พอใจสงบแล้วมันจะสบายมันจะสุขสุขแบบไม่มีความสุขอย่างไหนมามา มาเปรียบเทียบได้อันนี้เรียกว่าทุกข์ตอนต้นแต่สุขปลายพอได้ผลแลทีนี้ก็จะได้ความสุขไปตลอดีอ น, นี้มันจะนั่งอยากมันอยากจะนั่งสมาธิอยากจะทำใจให้สงบอย่างเดียวมันดูแ ล, ลว้วเนี่ยว่าความราบยศรเสเลิศรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเป็นทุกข์แต่ตอนนั้นเมื่อก่อนนี้เลิกไม่ได้เพราะยังไม่มีความสุข ภายในใจอ๋อตอนนี้ได้พบกับความสุขภายในใจแล้วเลิกได้เลยเลิกหาลาบยศเสรญเลิกหารูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่วัดดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าไปหาความสงบดีกว่าไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเงินทองมีมากน้อยก็บริาจากไปหวดเลยเพราะไม่ต้องใช้เงินทองแนะถ้าได้บวชก็ไม่ต้องใช้เงินทองลนะ สบายข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรีเสื้อผ้าก็ฟรียารักษาโรคก็ฟรีทีหมดทุกอย่างแล้วแถมยังมีเวลาให้ปฏิบัติตลอดเวลาไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับพระพุทธศาสนาถ้าต้องการความสงบแล้วพระพุทธศาสนาเนี่เป็นที่ที่เหมือนกับน้ำดีดินดีสำหรับชาวนาชาวไร่ กาหลังมั่งค่าอยู่กกลขนาดไหนยังอุตส่าห์เดินทางมามาบวชที่เมืองไทยเลยพะบ้านเขาจเจริญขนาดไหนก็ไม่มีที่บวชบ้านเขาจเจริญทางวัตถุแต่ทางธรรมนี่ไม่มีเลยทางธรรมนี่เหมือนกับปลูกปลูกปลูกมกังคุดนิพานปลูกปลูกปลูกข้าบนภูเขาไงปลูกบนหินเนี่ย พราะหลังที่อยากจะได้มรรคผลนิพพานเลยต้องมามาบวชอยู่เมืองไทยกันเพราะเมืองไทยนี่แหละพร้อมเป็นเนื้อนาบุญเป็นเป็นเป็นนาบุญของผู้ที่แสวงมรรคผลผนิพพานมีปุ๋ยดีมีน้ำดีมีดินดีมีสถานที่ปฏิบัติมีธรรมเนียมมีศรัทธาญาติโยมคอยสนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่ ไ ม, ไม่อดไม่มีวันอดอยู่เมืองไทยถ้าเป็นพระมีบาทไใบเดียวนี่รอดตายบาทนี่มันดีกว่าประกันภัยประกันชีวิตเลยพระกาสาวพัดเนี่ยประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยพวกเราอยู่ใกล้เกลือกินด่างกันนะ ส่งลูกไปเมืองนอกเมืองนากันแทนที่บอกลูกบวชเทิดกลับส่งไปเมืองนอกเมืองนากันหรืออาจจะต้องให้มันไปเห็นก่อนว่าเมืองนอกเมืองนามันเป็นยังไงมันถึงจะได้กลับมารักเมืองไทยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรักเมืองไทยพอไปอยู่เมืองนอกเมืองนากลับมาที่นี้ไม่เคยออกจากเมืองไทยไปเลยเนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยสี่สิบกว่าปีไม่เคยมีความคิดอยากจะไปแตะเมืองนอกเมืองนาเลย ลักเมืองไทยเมืองไทยเมืองพุทธมีที่ปฏิบัติมีที่ศึกษามีที่บรรลุมีครูมีอาจารย์มีทุกอย่างพร้อมหมดมรรคผลที่ผ่านอันนี้อยู่ที่เมืองไทยเป็นส่วนใหญ่ที่อื่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องมรรคผลที่ผ่านเท่าไหร่เรื่องครูบาอาจารย์ ตายไปกลายเป็นพระธาตุนี้ไม่เคยได้ยินจากประเทศอื่นนะมีแต่พระในเมืองไทยเราเนี้ยที่ตายไปแล้วกระดูกลายเป็นพระธาตุเนยถ้ากาถ้าเป็นพระธาตุก็แสดงว่าเป็นพระอาหารหนะันต์บรรลุนิพพานะเหมือนพระพุทธเจ้าอาติของพระเจ้าก็กลายเป็นพระธาตุไปแต่ไม่ได้ทุกชิ้นทุกอันเป็นพระธาตุไปหมดนะ ไม่ใช่กระดูกทั้งร่างกายกลายเป็นพระท่านมันก็บางส่วนบางแห่งบางจุดนี่แหละคือของดีของแท้ของจริงอยู่ที่นี่อย่าส่งลูกไปเมืองนอกเมืองนากันเลยส่งลูกไปบวชกันดีกว่าลูกจะได้ไม่ต้องกลับมาเรียนซ้สำซสาก เดี๋ยวกลับมาชาติหน้าก็กลับมาเรียนอนุบาลใหม่มาเรียนป .1 มาเรียนมัธยมมาเรียนปริญญาใหม่มาเรียนที่มหาลัยของพุทธศาสนาดีกว่าเอาโสดาบันเอาสกิลดาคามีเอาอนาคามีเอาอรหันดีกว่าแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเรียนซ้าๆอีกต่อไป ็นว่าชาติสุดท้ายเนี่ยชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่ต้องกลับมาเรียนใหม่แล้วจบเอวังก็มีด้วยประการลัชณีก็ <c oughs> <c oughs> ö, จะอนุโมทนาให้พรยะทาวาวิกวาหาปุราเปริ ป, ปุเรนติสากรังเอวเมวะอิตทินังเปตานาังอุปกา ป, ปติ อิิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัปปะโรโขวินัสตุ มาเตภวตวันณตารโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาทนสีลิธานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวัานเตอายุวโนสุขามภลัม วันนี้ก็มีชาวมาเลเซียผู้หญิงก็อยากจะมาหาที่ปฏิบัติในเมืองไทยเนะี่ยก็บอกต้องลองไปค้นหาดูเอาอที่วัดหลวงพ่อกันหาก็มีเยอะไม่ใช่ที่ผู้หญิงไปอยู่กันนะ ม, มีต่างชาติไหมมาต่างชาติจะไปอยูอ่แล้วตะนาววันแล้วตะนะววันนะผู้หญิงก็มีที่อยู่เยอะไม่มชช่วงนี้เขาเริ่มเปิดนะคะแต่ว่า แม้ว่ า, าเร่งีนเยอะกว่าของหลวงพ่อปัญหาเราหาเอาโทรศัพท์เข้าอยู่ได้ข้างในไม่เป็นเด็กปัาอะไรอย่างเี้มันก็ต้องมีกดเพราะว่ามันต้องทำกับคนส่วนใหญ่คนหมู่มากเนี่ยต่างชาติาก็เรียนมาแล้วเรียนหนังสืออ่านมาแล้วแต่ไม่มีที่ปฏิบัติ ไม่มีครูคอยแนะคอยแก้ให้ต้องมาเมืองไทยกันเอาเรามีของดีๆกับหนีเมืองไทยกันไปไปเที่ยวเกาหลีกันไปเที่ยวญี่ปุ่นกันกายเกลือกินด่างไปหาด่างกินดีกว่าเกลือมไม่เห็นคุณค่าของเกลือ ใครมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็ยังเข้ามาได้นะใครต้องการหนังสือก็มาหยิบได้การอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะวันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กเข้ามา482ค่ะทาง y o u t u ู e เข้ามา96ค่ ะ, ะมีต่างชาติมหมยังไม่มีนะ คือซื้อใหม่นะคือสามีสงสยัยนะคะเพราะว่าดูรายการทีวีแล้วที่เขาติดต่อ ก, กับจิตวิญญาณอ่าเขาก็เห็นว่าอ้าวิญญาณนั่งท่านี้อะไรอย่างนี้นแล้วก็คุยกันนะเขาสงสัยว่าส่นวนใหญ่มั่วทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> พวกตาบอดทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> มันนั่งกินตนาการไปอ่านอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มานั่งคิดมันไม่อย่าไปสนใจเลยค <c oughs> นั่นแหล ะ, ะมันเป็นเรื่องของอของหมอดูหมอเดาอะไรทำนองนนี้ อ, อย่าไปสนใจเลยแล้วก็ไร้าสาระไม่มีคุณประโยชน์อะไระดูไว้ดูไว้ใช่ว่าใส่บาแบักหางถ้าเราไม่เห็นกับเราเองไม่ได้เกิดกับเราเองก็อย่าไปสนใจสงสัยก็สสยเป็นเขาเป็นรายการทีวีสุดหวานอ่า น, นั่นแหละเขาหางเงินไง เขาไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกเขาหาอะไรมาหลอกเราหลอกให้ดูดคือหลักการมันเห็นคนคนตาทิพย์เขาก็เห็นกายทิพย์ได้อันนี้หลักการความจริงมันมีแต่ที่มีจริงๆมันมีน้อยที่มีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพวกเห็นผีโดยที่ไม่รู้เป็นผี อะไรนิดอะไรหน่อยก็ผีมาละใบไม้ไหวหน่อยเขียนกุ๊กกะกุ๊กกหน่อยก็ออกผาคิดว่าผีมาละ อ, อันนี้นว่าอุปทานผีแบบอุปทานพวกนี้ก็รายการอุปทานทั้งคิดไปปรุงไปจินนาการไปไม่เป็นไรละได้เหมือนกันใครอยากจะได้หนังสือซีดีก็หยิบไป มีแจกเอาไปอ่านนะอย่าไปว่าอย่าไปบูชาซ <c oughs> <c oughs> ีดีก็มีต้องการเอาซีดีไปฟังก็ไปได้หนังสือมีสามเล่มไม่เหมอืมอนกัน มีหลายรสหลายชาติเหมือนกับข้าวไอรายการต่างๆที่เขาออกออกาสใน้พวกจัดรายการมันก็มั่วไป น, นหรือไปปรึกษากับผู้รู้กับผู้รู้ก็มั่วไปเหอนกัน เคนที่ตายไปแล้วใไปหาหมอดูแต่คนตายแล้วไปถึงไหนแล้วไอคนที่เห็นช่องธรรมากินได้ก็บอกนั่งหลับตาขมุบขมิบหน่อยก็โอ้ไปถึงนู่นแล้วดาวันดึงไปคนฟังก็ดีใจไปถึงนั่นแล้วสบายใจแล้ว ให้เชื่อกดแห่งกรรมพอทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไปไหนก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเขาจะไปอยู่ถึงไหนก็เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนั้นทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปนั้น มาทำกรรมกันดีกว่ามาทำบุญมาละบาปกันดีกว่าทำกรรมดีละกรรมชั่วมาทำใจกำจัดปิเลตันหาดีกว่าอันนี้อันนี้แหละของแท้ของจริงกับไม่สนใจกันมัวไปนั่งไปถามคนคนูน้นคนนี้ให้เขาหลอกเราหลอกเอาเงินเราไม่ใช่หลอกอะไรหรอก แล้วก็เรื่องของคนแต่ละคนก็เราก็ทําอะไรให้กันต่อกันไม่ได้มันอัตตาหิอ ah ัตโนนาเถเรื่องของกรรมนี่ตัวใครตัวมันทําแทนกันไม่ได้ทําบุญให้กันไม่ได้ <c oughs> ไอ้บุญที่อุทิศนี่ที่ส่งไาให้คนตายนี่มันเป็นเศษบุญที่ส่งไปเหมือนกับเศษเงินที่เรามีในกระเป๋ า, เ ว, าเวลาเจอขอทานเราจะหยิบแบงร้อยแมงพันใส่ให้มันหร่า ค้นหาแต่เศษเนี่ยเฮ้ยมีเหรียญไหมมีเหรียญก็ใส่ให้มันนั่นแหละคือบุญอุทิศเป็นอย่างนั้นมันส่งไปได้แค่นั้น <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่มีแต่เราขอทานก็ได้แค่เหรียญห้าเหรียญสิบก็ดีใจตายแล้ะพวกเปรตนี่พอมันได้เศษบุญมันก็ดีใจกันแล้ะ <c oughs> พวกเปรตก็คือพวกที่ตอนตอนเป็นมนุษย์นี้ไม่ทําบุญทําแต่บาปเนี่ยตายไปก็ไปเป็นเปรต ชอบขโมยชอบรักทรัพย์ชอบปับชบบ๊ชอบโกโหกหลอกลวงไม่ชอบทำบุญตายไปก็ไปเป็นเปรต <c oughs> ไม่มีบุญติดตัวไปในทางตรงกันข้ามถ้าชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปตายไปก็ไปเป็นเทวดากันอันนี้ของจริงก็ไม่มาสนใจทำกันมาสนใจกับผลของคนที่เขาไปแล้ว เขาจะไปเป็นอะไรก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมได้กระทาเกิดเขาเป็นขอทานมารอรับส่วนบุญก็ให้เสร็จเสร็จบุญเข้าไปเท่านั้นเองแต่สู้มาสอนคนที่ยังอยู่ไม่ดีกว่าสอนลูกลูกสอนคนรักเราพี่ไปทําบุญกันนะอะพี่มารักษาศีลกันนะอะตายไปจะได้เป็นเศรษฐีบุญกันก็ไม่เอา กลับมากลัวมาห่วงตอนที่ตายไปแล้วพี่ก็ไปทึ่ไหนแล้วเนี่ยามาม า, มาแก้ที่เหตุอย่าไปแก้ที่ผลผลแก้ไม่ได้ผลมันเป็นแล้วเป็นไปเป็นเ ป, นเปนแล้วไปแก้ให้ไปเป็นเทวดาไม่ได้แล้วแหละต้องรอให้พ้นพ้นกรรมก่อนหมดหมดจากวาละของเปตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ถึงจะมามาทำเหตุใหม่นะแล้ว มนุษย์นี้เป็นเป็นเดียวชาติเดียวที่เป็นผู้ทําเหตุบเอื่นนี้เป็นเป็นผู้ไปรับผลไปเทวดาก็ไปรับผลจากเหตุที่ทําไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ไปอบายก็ไปรับผลของเหตุที่ทําไว้ที่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยงั้นตอนนี้เราเป็นมนุษย์รีบสร้างเหตุกันเถิดสร้างเหตุที่จะให้เป็นเทวดาให้เป็นพรให้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ย ตอนนี้มีคนบอกทางบอกสอนวิธีแล้วกบไม่เอากันอยากจะไปเป็นเปรตกันอยากจะไปเป็นเดรัจฉานกันเนี่ยเห็นมหมยุคนี้แถวพัทยาใต้เนี่ยพวกไปเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นเนี่ยประพฤติผิดประเวณีเนี่ยไปเป็นเปรตช่อโกงหลอกลวงฝรั่งหลอกลวงนักท่องเที่ยวเนี่ยพวกเปรตพวก เดระฉานเนี่ยเยอะแยะเป็นกำลังสร้างเปตสร้างเดระฉานกัน เ, น ม, เมืองท่องเที่ยวพัทยานเนี่ยเป็นที่สร้างเปรตสร้างเดระฉานกันนอกจากพวกที่เข้าวัดแถวนั้นะถึงจะไปไปสร้างเทวดากันพวกที่เข้าวัดทำบุญทําทานใสบาตรเนี่ยพวกที่รักษาศีลพวะนั้นกําลังสร้างเทวดากันพวกที่มาถือศีงแปดนุ่งขาวผมขาวก็กําลังสร้างพร ม, มโลกกัน กำลังเตรียมตัวไปพ ม, ม่าโลกกำลังเตรียมทําวีซา่าทําวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบินพวกที่มาบวชมาตัดปัญหากิเลกก็เตรียมตัวไปนิพพานกันใช่ไหมอย่างมาถือสิบแปดเรามาเป็นช่วงๆเราก็จะได้ทําวีซา่ารอทําวีซา่าก็ขาดๆไปเงี้ยยังทําไม่ครบเนี่ยมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนยอดเหรียญเงินในกระปุกเนี่ย ก็นานๆหยอดทีมันก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าหยอดทุกวันเดียวเดียวมันก็เต็มอยู่ที่เราหยอดบุญก็บุญที่เราทำก็เหมือนกับเงินที่เราไปฝากธนาคารเนี่ยถ้าเราฝากบ่อยๆมันก็ยอดก็ขึ้นเร็วถ้านานๆฝากทียอดมันก็ขึ้นช้าอยู่ที่การกระทาของเราพระเจ้าถึงบอกว่าบางคนก็เจ็ดวันก็เต็ม เป็นกระปุกเลยบางคนก็ต้องเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องเจ็ดปีอยู่ที่ทํามากทําน้อยทําถูกทําไม่ถูกก็้้าดไบที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่สอนศีลทานศีลภาวนาที่ไหนที่สอนให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาไตรลักษณ์อัถุภะอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ได้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติต้องดันตัวเราเองต้องผลักดันตัวเราเองถ้าปล่อยให้มันไปเองมันไม่ไปหรอกในวันนี้ถ้าไม่ตั้งใจมาไม่มีเหตุมันไม่มาหรอกมันต้องมีเหตุได้เหตุหนึ่งจึงทาให้มาวันนี้ที่มาบอกเขาค่ะว่าโยมอยากจะมากล่าวเข า, เ, าเลยมาเลย เป็นพยาบาลด้วยกันนะเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกัแต่ไม่ได้ทำที่เดียวกัน อ, อยู่ที่อยู่อยู่ใกล้กันเนมื่อก่อนจบจุฬาด้วยกั น, น <c oughs> แต่ว่า <c oughs> การแต่งงานออกมาแล้วก็แต่งงานท่านนี้อยู่ที่ศรีราชาด้วยกันนะว่าอ ย, อยู่อยู่ที่อยู่สมุรปรออ มีมาจากกรุงเทพเลยแหละเดี๋ยวว่าก็ต้องกลับอือดี๋ยวนี้ที่สมุทรปราการก็มีวัดป่าขึ้นมาใหม่อนะือวัดป่าสุจ้าอ่านี่ก็มีด็อร์เป็นอาจารย์ที่ไอ้แบบก็ลาออกจากงานเป็นหบวชอยู่ก่อนหน้านั้นก็มาฟังเทศที่นี่มาอยู่ปฏิบัติที่นี่แล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานเป็นอาจารย์ด็ตอร์ อันนี้ได้ไปบวชแล้วก่อนจะไปบวชก็มามามาลาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่ออาทิตย์เมื่อวานที่ผ่านมานี่แม่เขาก็มาใส่บาตร แ, แล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายได้บวชแล้วอยู่ที่วัดนั่นนะชื่อวัดอะไรนะวัดป่าสุขใจอาจารย์สงบก็อยู่ใกล้มีวัดป่าแล้วเ ไปศึกษาไปบางเทศทําทรรไปถือก็มีที่ให้อยู่ถือศีลแปดหรือเปล่า ม, มีแต่ยังเป็นทุ่งนาอยู่ใช่หอหอตรงนั้นที่จริงมันก็มีวัดใกล้ใช่ไหมถึงมีต้นน้องต้นไม้อะไรไหมเขาปลูกค่ะเมื<า>อ่อตอนที่ตอนที่เขาเริ่มสร้างยมก็ไปตรง น, นั้นด้วยตอนนั้นไปทำดูบางทีงลงเขาปลูกต้นไม้เป็นหลงออตอนนี้ก็ เ, ออเป็นรูปเป็นล่างมีศาลามีอะไร ด, ดูร่มรื่น ตรงตรงนั้เยอะมากใ่ขอให้ที่มันเงียบก็แล้วกันที่มันเงียบไม่มีอะไรมารบกวนอห้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิได้วาสโสการามก็มีอยู่แต่คงจะแออัดนะอออะดูกชายเคยไปบวชที่นั่นแล้วแต่ดูแล้วเหมือนแบบยังไม่ชี้อะไรก็ดูไม่ไหอ่ามันไม่สงบนะ เป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนะ mm hmm. ลยเราไม่เคยไปสักทีตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เคยไปวัดไหนเลยอยู่วัดป่าบ้านตาวัดเดียวออกมาก็มาอยู่ที่นี่ labeled. ไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกันหมดวัดไหนมันก็เป็นวัดเหมือนกัน <c oughs> ต่างกันก็ที่ครูบาอาจารย์แนะ่ะถ้าได้ครูบาอาจารย์ ที่ถูกใจแล้วก็พอละคนเดียวก็พอแล้วถ้าอย่างนี้ถนะ้าเราไปไปตั้งสมาธิหรือภาวานาะเดินโง ก, กลมอย่างวัดหนึ่งแต่ใจเลอยอ ย, อยู่กับครูบ า, าอาจารย์อื้มวไม่ผิดหรอกก็บางทีมันอยู่สถานมันเราที่ปฏิบัติมันใกล้ตรงไหนแล้วก็ไปที่ตรงนั้นเอแล้วถ้าครูบาอาจารย์ไม่สามารถ ให้ความรู้ที่เราต้องการได้เราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเราได้ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นท่านก็ไม่ถือสาหรอกท่านก็ไม่ได้หวงหรอกว่าจะต้องเป็นลูกศิษย์ของท่านต้องถือท่านเป็นอาจารย์องค์เดียวไม่ใช่หลองพระท่านไม่ถือหรอกจะไปกราบครูบาอาจารย์รูปไหนไปถามธรรมะที่ไหนได้ทั้งนั้นเพบางทีบางบางทีลูกที่เรา ดูจากท่านไม่สามารถตอบคำถามเราได้เราก็ต้องไปหาองค์ที่ตอบคำถามให้กับเราได้นูวันนี้มีคำถามเขม้ามายังมีค่ะอะไรบ้างลองนี่ question f r o m ครูเย็นยองค่ะจากอาเลเซียครูครูเย็นยอง ก็ถามว่าเวลาแผแ่เมตตาให้สามีเวลาจูบสามีเป็นการแผแ่เมตตาจะทำไงไม่ให้เกิดราคะขึ้นมาก็ต้องคิดว่ากําลังสุบ <c oughs> กำลังกำลังจูบศเซิ <c oughs> <c oughs> เวลาเวลาสามีตายนี่ไปจูบเขานี่จะเกิดราคะขึ้นมาปะ <c oughs> ให้คิดถึงโครงกระดูกให้คิดถึงกระโหลกศีรษะเวลาจูบที่หน้าเขานี่กําลังจูบหนังที่จูบหนังที่หุ้มหุ้มกระโหลกศีรษะอยู่ เราจะไ ม, ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดราคะตัณหาขึ้นมาคําถามจากคุณโตมรค่ะการสวดมนต์ไหว้พระประจำวันควรสวดบทไหนบ้างคะคือการสวดมนต์ไหว้พระนี้เป็นอุบายของการเจริญสติเป็นการเจริญสมาธิต้องการให้เราหยุดคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องสามีภรรยาเรื่องลูกเรื่องเงนินเรื่องทอง ให้เรามาพักใจส่วดบทไหนก็ได้ที่เราชอบแต่ถ้าเราอยากจะทําตามธรรมเนียมเขาเขาก็มีบทให้สวดบททําวัดเช้าบททําวัดค่ำเราก็ไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็อะเปิดดูแล้วก็สวดตามหนังสือเขาถ้าเราไม่รู้จะสวดบทไหนสำหรับเราตอนที่เราครั้งแรกที่เราสวดเราชอบ อ่านสติปัฏฐานสูตรแล้วเราชอบพระสูตรนี้เราก็เลยสวดพระสูตรนี้สวดเราไม่ได้เป็นภาษาบาลีสวดภาษาที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษสวดภาษาอังกฤษไปภายในใจเพราะมันได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสมาธิว่าเวลาเราสวดเหมือนกับเราท่องวิชาการเรียนหนังสือเนี่ยเป็นพยาบาลมาที่ต้องท่องอนาตมี่อย่างเงี้ยมันถ้าเราอยู่กับการท่องอยู่ ขณะตอนนี้มันก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้ใจมันก็จะนิ่งใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านตอนต้นเวลานั่งสมาธิใหม่ๆมันฟุ้งให้ดูลมมันไม่ยอมดูวมมันคิดเรื่องนั้ก็เลยเอามาสวดก่อนตอนนั้นเรารู้จักแต่บทสติปัฏฐานเราก็เอาสติปัฏฐานนี่มาสวดสวดคาแปล ตอนาั้นมีแต่คาแปไม่มีคําบาลีเพราะบาลีอ่านไปก็ไม่เข้าใจไม่รู้อ่านไปทำไมก็เลยอ่านคําแปลก็เลยสวดคาแปลกว่าจะสวดเสร็จเกือบชั่วโมงนะประสูตนี่มันยาวสวดแล้วมันทำให้ใจเย็นใจสงบใจไม่ฟุง้งแต่ไม่ถึงกับรวมยังคิดอยู่บ้างก็แต่มันเหนื่อยแล้วพอสวดไปสักพักมันก็ไม่อยากจะคิดอะไร ก็เลยดูลมหายใจต่อดูลมไปเท่าครั้เดียวจิตก็นิ่งสงบการสวดมนต์นี้ก็เป็นอุบายของการที่จะดึงใจให้ออกจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราไม่สวดมันก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิด ถ, คนนถึงคนนี้อยู่ตลอดเวลาพอเราเอามาสวดนี่มันก็คิดไม่ได้พอคิดไม่ได้มันก็จะเย็นจะสบายจะว่าง จะเบาแล้วก็จะทําให้เรานั่งสมาธิต่อไปได้นี่คืออุบายของการทําสติเจริญสติในเบื้องต้นเพื่อให้เรามีกําลังที่จะมานั่งสมาธิต่อไปงั้นจะสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่อัธยาศั ย, ยแล้วแต่ความพอใจแต่ถ้าไปอยู่กับวัดที่เขามีบทสวดต้องสวดเราก็ต้องสวดตามเขาไม่ใช่เขาจะสวดบทนี้เราจะสวดไอ้บทนี้ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตีกันเองตามวันนี้เขาจะมีก็มีเหมือนเมนูต้องสวดบทนี้บทนี้วันจันทร์วันขึ้นกี่ค่ำจะมีบทนี้ต้องสวดขึ้นค่ำนี้ต้องสวดบทนี้เขาก็มีเมนูของเขาเพิกปลายเปลี่ยนมาถ้าไปอยู่วัดเขาให้สวดบทไหนก็สวดตามเขาแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวสวดอยู่คนเดียวเราจะสวดบทไหนก็ได้ หรือสวดคําเดียวก็ได้สวดพุโทโธคําเดียวก็ได้ะสวดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก็ได้คําถามจากคุณต้าค่ะผมนั่งสมาธิมาประมาณหนึ่ปีใช้การดูลมหายใจมีปัญหาคือเมื่อนั่งสมาธิจะเริ่มมีอาการแน่นบริเวณใบหน้าและศีรษะ <c oughs> ที่ผ่านมาใจก็สง บ, บดีครับแต่มีปัญหาแค่มีอาการแน่นที่หัวจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ ก็ปล่อยมันแน่นไปอย่าไปสนใจเราก็ดูลมไปเดี๋ยวถ้าใจสงบมันก็จะหายไปมันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสของใจเวลาที่มันถูกจับให้อยู่เฉยๆแล้วมันจะมันจะดิ้นมันจะสู้มันก็เลยทำให้เกิดรู้สึกอาการตึงขึ้นมาตามส่วนต่างๆรู้สึกเครียดเนี่ยพอบอกให้ญาติยมนั่งสมาธินี่เครียดเลยเนี่ย เพราะมันไม่เคยนั่งเฉยๆแต่ถ้ามันยังเครียดอยู่แล้วมันมันทำให้ดูลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนให้สวดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเครียดคำถามจากคุณสิริค่ะลูกนั่งสมาธิเห็นตัวเองเป็นศพหากลูกจะฝึกซ้อมมรณ า, านุสติลูกต้องเอาภาพศพมาดูบ่อยๆ หรือว่าต้องคิดต่อไปว่าสิ่ี้จะกลายเป็นธาตุดินไปหรือต้องทําอย่างไรคะคือถ้าเราจําได้แล้วมันอยู่ในใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องเอาภาพศพมาดูแต่ถ้าเรายังจําไม่ได้เราก็เปิดดูภาพศพเราก็นึกถึงภาพศพเหล่านั้นเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเราก็อ่านหนังสือแล้วเราก็มาท่องมันท่องมันจนกระทั่งเราจําได้พอเราจําได้เราก็ไม่ต้องเปิดหนังสือแล้วแต่ถ้ายังจําไม่ได้ เช่นเวลาเรียนวิชาที่จะต้องท่องเราก็ต้องเปิดแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆเปิดแล้วก็ท่องพอจำไม่ได้ก็เปิดพอต่อไปเราจำได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปิดหนังสือถ้าเราจำภาพของซากศพได้แล้วถ้าเราแยกซากศพให้กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปได้เราก็ก็ให้มันคิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆในใจของเราโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหนังสือดู ให้มองว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนทุกที่เรารู้จักก็ดีเนี่ยต่อไปก็ต้องกลายเป็นซากศพไปต่อไปเวลาเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปให้คิดบ่อยๆให้คิดตลอดเวลาได้ยิ่งดีเวลาเห็นหน้าใครให้คิดถึงซากศพเขาก่อนอย่าไปคิดว่าเป็นใครส่วนอย่ามองว่าเป็นใครเป็นใครมาจากที่ไหน ไม่เคยคิดถึงซากศพเขาไม่เคยคิดถึงกะโหลกศีรษะที่อยู่อยู่ที่ข้างหลังหน้าเขาเห็นแต่หนังที่หุ้มหอ่อกะโหลกศีรษะแต่มองไม่เห็นกะโหลกศีรษะนี่ก็เรียกว่าความมืดบอดของของมีอยู่ต่อหน้าแต่มองไม่เห็นก็ เ, เห็นกะโหลกศีรษะไหมเคยเวลาดูกระจกเห็นกะโหลกศีรษะเราไหมถ้ามไม่เห็ น, นะ ม, หนมันมีหรือเปล่า มันไม่ยอมมองใช่ไหมมันก็เลยคิดว่าไม่มีเนี่ยลองคิดดูสิคิดเราเนี่ยถ้าเราถอดหนังออกได้เนียหนังก็เป็นเหมือนหน้ากากดีๆเนี่ยหน้ากากยางที่เขาใส่ไหมพวกที่ว่าพวกที่เขาแปล ง, ปลงหน้าสมัยนี้เขาก็ทำหน้ากากยางแล้วก็มาครอบหน้าของเขาอีกทีเปลี่ยนหน้าได้ของเราก็มีภายใต้ผิวหนังเราไม่มองกันมองไม่เห็นกัน เราก็เลยต้องอาศัยหนังสือก่อนดูหนังสืออนามตอมี่ยเขาจะแยกอาการต่างๆให้เห็นว่าถ้าไม่มีหนังแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นโครงกระดูกเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ข้างหน้าออกมาเนี่ยมีแต่อวัยวะเต็มไปหมดเลยเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเราเปิดฝากระโปรงดูว่าเป็นไงเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดสายเฉย อ, อะไรเนี่ยถ้าเราเปิด เปิดหนังออกได้เนี่ยเราจะเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรเต้นไปหมดเลยเนี่ย <spr> <Gin> เราต้องพยายามมองบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้น่ารักน่าชมแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายของเราหรือของคนอื่นเพราะมันเป็นของไม่มีค่าแต่เราไปหลงเห็นว่าเป็นของมีค่า ไปเห็นว่ามันสวยมันงามอแต่พอเป็นเความจริงว่ามันไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัวอ่ะตอนมันไม่รักไม่หวงไม่ห่วงจะตายก็ตายจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่เอไม่ทุกข์กับมันเอไม่ของเขาหรือของเราของเราก็ไม่ห่วงไม่ห่วงมันจะไม่น่าดูก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันรู้อยู่แล้วมันไม่น่าดูอยู่แล้วเออ หนังมันจะเหี่ยวหนังมันจะโยนกับเรื่องของมันผมมันจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปร่างกายนี้มันไม่มีคุณค่าอะไรเราไปหลงรักมันเองคำ <c oughs> ถามจากคุณพิมพรค่ะใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วทุกปีเราจะต้องไปถวายต้นเทียนที่วัดกันมากมายให้แด่พระสงฆ์ถามค่ะบุญที่เราถวายต้นเทียนนี้ได้บุญมากกว่าถวายสังกทพังไหมคะ เหมือนกันนะอยู่ที่เงินที่เราถวายมากหรือน้อยถ้าถวายมากบุญก็มากเพียงแต่ว่าของที่ถวายมันเป็นประโยชน์ต่างๆกันไปสมัยนี้ถวายเทียนก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว่เพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็เลยต้องถวายเทียนเพราะช่วงก้าพันศานคนเรียนบวชเยอะแล้วต้องเรียนหนังสือกันตอนคืนก็ต้องจุดเทียนไหว้พระสวดมนต์อ่านหนังสือกันไม่มีไฟฟ้า ก็เลยต้องมีการถวายเทียนหล่อเทียนอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเพราะเป็นเหมือนกับการไปสร้างโรงไฟฟ้าให้กับวัดนี่แหละสมัยก่อนถวายเทียนนี่เหมือนกับเป็นการไปซื้อเครื่องปั่นไฟให้กับวัด น, นแต่สมัยนี้มันมีไฟฟ้าแล้วพ่อไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เทียนแล้วละ่ะจะไปท้ายทำไมไฟไฟฟ้าอยู่อ่ ะ, นนอะในนี้บนนี้มีมันยังใช้ใช้เทียนอยู่ แต่มายถึงผู้ที่ที่ที่ก็มีไฟฟ้าเขาเขาไม่ใช้แล้วใช้อย่างมากก็จุดพิธีเวลาไหว้พระสวมดมนต์ก็มีเทียนจุดเป็นธรรมเนียมไปท่านนันเองก็ก็ประโยชน์จากการให้เทียนมันก็เลยไม่เกิดมันกลายเป็นขยะไปเป็นของเกกะไปถวายค่าน้ำถวายค่าไฟดีกว่าบางทีก็ถวายหลอด หลอดไฟไฟหลอดไฟหลอดนึ่งมาใช้เป็นสิบปีนู่นใช่ไหมอันนี้ก็มีหลอดไฟแต่หลอดไฟแบบชาร์จชั่วคราวอันนี้ชาร์จหนึ่งทีก็ได้สองชั่วโมงนะเดี๋ยวก็พอใกล้จะเวลาก็วูบลงมา น, นี่เรียกก็หลอด LED ที่ต้องใช้ว่าบางทีมันเดี๋ยวมันเวลามีเมฆมีอะไรมันไม่มีแสงอาทิตย์มันจะมืดแล้วเวลาถ่ายซอสดก็ว่ามันมืด ก็เลยไปได้หลอดไฟนี้มาทำลองไว้งั้นบุญมันเกิดอยู่ที่การเสียสละของเราเสียสละเข้าของเงินทองของเราเสียมากก็ได้บุญมากสวรรค์จึงมีสวรรค์ชั้นต่างๆเหมือนโรงแรมชั้นต่างๆยูนิล่งแรมห้าดาวก็เสียต้องจ่ายมากหน่อยสีาดาวก็น้อยหน่อยแล้วแต่กำลังเงินที่เราจะจ่าย เครื่องเครื่องก็ยังมีแบ่งชั้นเลยใช่ไอมชั้นหนึ่งชั้นพิเศษชั้นธรรมดาจ่ายมากก็บริการดีหน่อยจ่ายน้อยก็บริการไม่ค่อยดีอันนี้ก็เหมือนกันทาบุญมากก็ได้สุขมากได้ความสุขมากทาบุญน้อยก็ได้สุขน้อยคำถามจากคาถามจากคุณชนะตนข้อที่หนึ่งค่ะเมื่อก่อนกังวลว่า ต้องเตรียมปัจจัยเลี้ยงตัวยามแก่หรือป่วยแต่คิดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอพอฟังพระอาจารย์แล้วได้ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างคือแก้ที่ใจตั้งใยจะเป็นอะไรใจไม่ทุกข์ก็พอแล้วเงินมีแค่พอใช้ไม่ต้องเผื่อเยอะเอาใจให้รอดก่อนตอนนี้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ได้ไหมคะได้ก็ดูนกดูสัตว์ป่ามันมันไม่ตกก็ต้องมีเงินเก็บไว้เลยมันก็หากินของมันไปตามมีตามเกิด ถ้าหาไม่ได้มันก็อย่างมากก็แค่ตายมีเก็บไว้เยอะๆมันก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าเก็บไว้ได้บ้าง ก, ก็ไม่เป็นไรก็ดีแต่อย่า ไ, ไปกังวลกับมันมากเลยข้อที่สองค่ะยงเข้าใจว่าฟังรมแล้วนำไปปฏิบัติให้รักกิเลสให้ได้อย่างน้อยโสดาผหถือว่าได้ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านเทศถูกไหมคะ ท่าไม่ได้หวังให้เราตอบแทนบุญคุณเราหรอท่านหวังให้เราได้หลุดจากอบายหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอาจารย์ที่สอนตามมหาลัยนี่เขาก็อยากจะให้เราได้รับปริญญาเขาไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกแต่เรานะ่ะคนจะถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณเป็นการบูชาพระคุณของท่านด้วยการพยายามที่จะปฏิบัติให้เรียนให้จบให้ได้แต่ท่านไม่ต้องการบุญคุณอะไรจากเราหรอก เรามีอะไรไปให้ท่านท่านมีของที่ดีกว่าเราต้องเยอะแยะคาถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะการที่ลูกเป็นคนที่คิดมากและโกรธง่ายลูกจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรครับก็ต้องหัดเจริญสติให้มากๆเบริกรรมพุทโธบ่อยๆลองหัดเอาตั้งแต่ลืมตาเลยพอลืมตาก็พุทโธไป ก้าหองน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปถ้ายังไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดมากแล้วก็จะทุกข์มากไปเปล่าๆเราไม่รู้จักหยุดความคิดกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราใช้พุโทโธมาหยุดกันคำถามจากคุณชนะตนค่ะแสดงว่ากรรที่เราทากับใจ สีสมาธิปัญญาจะไม่สูญเปล่าไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าทํากับกายก็ต้องไปเริ่มใหม่ทุกภพชาติไม่จบจิ้นเช่นกันอย่างนี้ทํากับใจคุ้มกว่าไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าจบแล้วจบเลยถูกไหมคะเออถูกแล้วถูกเลยสิ่งใดที่เราทำไว้ล้วก็ไปทําต่อได้แต่ถ้าทํากับร่างกายก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนไปก่อกองทรายกองกองเจดีทราย อยู่ที่ชายทะเลเวลาน้ำเต็มน้ำขึ้นปั้มมันก็ซัดไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาก่อใหม่คำถามจากคุณสมปัญญาค่ะเริ่มพิจารณาอสุภะต้องเริ่มยังไงครับก็ดูร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไงชอบส่วนไหนก็ดูไปดูจระก็ได้ดูปัสสวะก็ได้ถ่ายทุกวันเนียอย่าเพิ่งราดน้า <c oughs> พิจารณาก่อนมันมาจากไหนมันมาจากร่างกายเราใช่ไหมแล้วร่างกายแล้วมันจะสวยงามได้ยังไงเมื่อมันมีของอย่างนี้ออกมาอแล้วก็เข้าไปดูข้างในมันมาจากไหนมันมาจากลำไส้ใช่ไหมจากลำไส้มันก็ต่อไปที่กระเพาะจากกระเพาะมันก็เนี่ยดูอวัยวะต่างๆอดูโครงกระดูกดูอะไรต่างๆดูอาการสามสิบสอง ศึกษาเป็นให้เป็นเหมือนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลพยาบาลศึกษาฝึกอาาปาเม่ต้อศึกษาเหมือนกันเนี่ยให้รู้จักความจริงของร่างกายเราเพียงเห็นเพียงเซี่ยวเดียวของร่างกายเห็นแค่ห้าอาการเห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มาบ้ากับมันนียบ้ากับผมบ้ากับขนบ้ากับเล็บบ้ากับฟันเนี่ยมันแทนที่จะเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่าย กลับไปบ้าไปหลงมันเนี่ยไปรักมันเนี่ยรักผมรักฟันรักหนังแต่ต้องให้เขาไปดูตอดตับไตไส้พุงบ้างมันจะได้หายหลงคำถามจากคุณอัญชลีค่ะทำยังไงให้ลูกเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าคะก็พาเข้าวัดบ่อยๆสเออิเราไม่เข้าแล้วลูกมันจะเข้าได้ยังไง เ, ออเรานะ่ะต้องเป็นคนพาลูกเข้าวัด เมื่อเราพาเข้าวัดเราไปไหนเขาก็ต้องไปกับเราแล้วพอเข้าเราเขาก็จะได้สัมผัสกับธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ถวายข้าวถวายของได้อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยของนี้มันต้องทำบ่อยๆทําเป็นนิสัยครอบครัวเนี่ยวนี้เขาพาเด็กเข้าวัดทุกทุกอาทิตย์เนี่ยบางครอบครัวเขามาเป็นประจาเนี่ยสาวอาทิตย์นี้เขามา เมื่อก่อนไปช้อปปิง้งไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแล้วแต่ไปไหนก็ต้องมาวาัดก่อนมาทําบุญใส่บาตรมาฟังเทศฟังธรรมเด็กมันก็ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มันก็อยากจะเข้าวัดเองพอมันเข้ามันก็มีความบรรยากาศที่ไม่ไม่เหมือนบรรยากาศที่อื่นบรรยากาศเย็นสบายไม่วุ่นวายถ้าไปที่อื่นนี่มันวุ่นวายมันแข่งแย่งกันเบียดเสียดกัน คำถามจากคุณจินดาค่ะความหมายของคําว่าบุญที่แท้จริงและถูกต้องคืออะไรครับเห็นคนเดี่ยวนี้มาบุญกันแบบไร้ปัญญาครับก็แปลว่าความสุขใจความสุขทางใจเรียกว่าบุญให้ให้ทานก็มีเกิดความสุขใจขึ้นมารักษาศีลก็เกิดความสุขใจขึ้นมานั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจก็มากน้อยต่างกันไปตาม ตามระดับความสุขใจก็ได้จากการทําทางก็น้อยกว่าจากการรักษาศีลศีลก็น้อยกว่าจากการนั่งสมาธิสมาธิก็น้อยกว่าปัญญาเพราะปัญญามันจะถาวรถ้าได้ความสงบได้ความสุขจากปัญญามันจะเป็นความสุขที่ถาวรถ้าได้ความสุขจากสมาธิมันจะชั่วคราวออกจากสมาธิมันเดี๋ยวมันก็จางหายไปได้ จะคุทำงานโดนค่ะอะไรคือตัวเวียนไหว้ตายเกิดครับก็ตัวเรานี่แหละตัวที่กําลังถามอยู่นี่แหละไอ้ตัวที่ถามนี่แหละคือตัวที่เวียนไหว้ตายเกิดไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายเราเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยใครกําลังถามอยู่เนี่ยร่างกายถามหรือว่าผู้รู้ผู้คิดเต้องผู้คิดใช่ไหมถึงถามได้ต้องคิดถึงคําถามขึ้นมาแล้วก็รู้คําถามว่ากำกำลังถามอะไร ผู้รู้ผู้คิดแล้วก็ไปสั่งร่างกายให้เขียนข้อความออกมาเขียนคําถามออกมาแล้วก็สง่งแล้วก็สั่งให้กดกดมันก็ส่งมาผู้ตอบก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันก็ต้องคิดก่อนแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดกลับไปร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของผู้รู้ผู้คิดร่างกายนี้มีมีกรอบของชีวิตมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายแต่ผู้สั่งนี้ไม่มีกรอบ ไม่มีวันตายเมื่อร่างกายนี้ไม่รับใช้ไม่สามารถรับใช้ได้หมดไปตายไปถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อเนี่ยผู้ที่ไปเกิดใหม่ก็คือผู้รู้ผู้คิดพอร่างกายอันนี้มันตายแล้วใช้มันไม่ได้แล้วก็เหมือนคนใช้คนใช้คนเก่าตายไปแล้วก็ต้องไปจ้างคนใช้คนใหม่มาไปซื้อไปจ้างคนใช้คนใหม่มา ผู้รู้ผู้คิดพอไม่มีร่างกายนี้ก็เราต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเวียนอยู่แถวใครที่แถวตามรงแดมที่ไหนเวลาเขาตั้งท้องขึ้นมาก็ก็จะได้เข้าไปจับจองได้จับจองเป็นเจ้าของร่างกายนี้เป็นของผมแล้วนะคนอื่นแตะไม่ไดนะ้แล้วพอออกจากท้องมาก็เริ่มหัดใช้ร่างกายใหม่หัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดื่ม อานอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่จนสามารถสั่งให้มันใช้ทำอะไรได้อย่างอัตโนมัติเพียงแต่คิดปับ๊บมันทำปั๊บเลยนะอักนี้ก็คือผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งใจเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งเขาเรียกเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวผู้รู้ผู้คิดนี่คือใจร่างกายก็คืออาการสามสิบสองคำถามจากคุณบีฟรีค่ะ ผมชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ประจำทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ปีนห้าผลไม้บริสุทธิ์ผมยังดื่มสุรายอยู่อย่างนี้ที่สวดมนต์นั่งสมาธิไปจะเกิดผลดีหรือเปล่าครับก็ไม่รู้่ปินแล้วสวดมนต์ได้ก็เก่งเนะ่ แต่กินเหล้าแล้วเมามันเวนมนต์นั่งสมาธิได้แล้วมันจะเวลาไปนั่งสมาธิตอนไหนตอนนี้ไม่ได้กินอ่ะก็ลองอย่ากินเหล้าดูสิมันจะได้มีเวลานั่งสมาธิได้เยอะกว่าตอนเวลาไหนกินเหล้าก็นั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้คำถามแต่คุณตูมตามค่ะถ้าเป็นคนชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยเข้าวัดทําบุญ แบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับอ๋อคนละบุญกันเรื่องทําบุญนี่เป็นเรื่องของทานทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทําถ้าไม่มีเงินไปวัดไปทําบุญแต่มีเวลานั่งสมาธิที่บ้านก็นั่งได้ความสุขบุญที่ได้จากสมาธิมากกว่าบุญที่ได้จากการทําทานเสีอยอีกความสุขใจแต่ถ้าชาติน่ากลับมาเกิดอาจจะยากจนนะตอนไม่ได้ทําบุญเพราะไม่มีเงินฝากไว้ในธนาคารไม่มีบุญฝากไว้ในธนาคาร พอกลับมาเกิดก็จะเกิดมายากจนเหมือนชาตินี้แหละก็จะไม่ได้ทําบุญอีกก็จะทําแต่สมาธิไปเรื่อยๆก็ดีจะได้บวชง่ายก่อนที่ไม่มีเงินเนี่ยบวชง่ายอย่างเรานี่ไม่มีเงินเราก็บวชง่ายหกพันพอหมดแล้วไม่รู้จะทํำอะไรต่อบวช ด, ดีกว่าต่อชาติหน้าถ้ามาเกิดคงจะยากจนอีกตอนนี้เลาต้องรีบทําบุญเยอะๆ เงินที่ญาติยอมมาให้เนี่ยไปทําบุญหมดเลยถ้าถ้าหน้าแล้วกลับมาจะได้ไม่ยากจนคําถามจากคุณสุรพงศ์ค่ะชีวิตไม่มีความสุขเลยครัเวลาไม่ได้อยู่สมาธิเวลาออกมาคิดเรื่องต่างๆความสุขที pen, ่ดีของผมมีแต่เฉพาะวันพระวันถือศีกแปดทำยังไงดีครับกับวันปกติธรรมดาครับก็ใช้ปัญญาสร้างความสุขขึ้นมาซิ เวลาไม่อยู่ในสมาธิออกมาก็ต้องใช้ปัญญาคิดถึงอสุภะ่างเงี้ยแล้วจะสุขคิดคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะสุขเนี่ยคิดว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแล้วมันจะสุขมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดไม่ติดมันจะไม่เครียดกับอะไรนะถ้าไม่ได้นั่งสมาธิวันธรรมดาก็ให้หมันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความไม่เที่ยงของลาบยศสรรเส ร, ริญของรูปเสียงกลิน่นรส ของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆใจก็จะมีความสุขเหมือนกับได้อยู่ในสมาธิแล้วดีกว่าด้วยเพราะมันจะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปมันจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยถ้ามีปัญญาคาถามจากคุณนันทนาค่ะปกติโยงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีสมาธิในการทำงานหรืออ่านหนังสือแต่ทาไมมานั่งสมาธิ แใจถึงไม่สามารถอยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธได้นานเลยคะหนึ่งคำว่าสมาธิก็ไม่ถูกละเวลาที่มีสมาธิกับการทำงานนี้มันไม่ใช่สมาธิมันเรียกว่าสติมีสติกับการทำงานสมาธินี่แปลว่าจิตนิ่งสงบไม่คิดปุงแต่งไม่ทำอะไรเวลาทำงานนี้เขาเรียกว่าสติไม่ใช่สมาธิเวลามีสติกับการทางานแต่เวลามา นั่งดูลมมันไม่มีสติเพราะว่าเวลาดูลลมมันไม่ได้คิดเหมือนกับเวลาทํางานไงเวลาทํางานมันยังคิดได้ยังคิดถึงเรื่องงานที่ทําอยู่ได้มันก็เลยมีอะไรให้มันให้มันเพลิดเพลินพูดง่ายๆพอให้มันมาดูลมเฉยๆมันไม่เพลินนั่นมันเบื่อมันเลยไม่อยากดูก็เลยต้องให้สวดมนต์ไปก่อนมันจะได้เพลิดเพลินกับการสวดมนต์ไปก่อนอชอบบทสวดไหนก็สวดไปอ สวดออตีปีโสไปสวดอะไรไปก็ได้ทำมาจักก็ได้มงคลเราสวดก็ได้สวดไปแล้วมันก็มีอะไรให้เพลิดเพลินมันก็จะนั่งเฉยๆได้แล้วบุสวดไปเสร็จมันก็จะเย็นจะสบายก็นั่งต่อดูลมหายใจต่อไปได้คําถามจากคุณกระสิค่ะถ้าผมเป็นห่วงอนาคตมากจนเกินไปเช่นจะทำอะไรต่อดี จะเรียนหรือจะทำงานเก็บเงินเป็นต้นผมพยายามอยู่กับปัจจุบันคิดถึงสิ่งที่ ท, ทาอยู่ตอนนี้แต่ก็อดห่วงอนาคตต่อไปไม่ได้เพราะชีวิตเราควรวางแผนผมควรทำอย่างไรดีครับก็คิดให้มันรอบให้มันกว้างหลายสิอนาคตมันไม่มีแค่แค่งานที่เราจะทำหรือเรื่องที่เราจะเรียนอาจจะอาจจะตายไปเมื่อไหร่ก็ได้ทาไมไม่คิดถึงความตายบ้าง ความตายก็เป็นอนาคตเหมือนกันเตรียมตัวจะไปเรียนเดินข้ามถนนโดนรถชนตายก่อนแล้วไปเครียดทําไมกับการนะคที่การจะทําอะไรอยากจะทําอะไรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลทาแล้วได้ผลอย่างไรถ้าต้องการผลนั่นก็ทําไปแต่ให้คิดถึงความตายแล้วบางทีมันไม่อยากจะทําอะไรทําไปแล้วเดี๋ยวก็ตายทําไปทําไมให้เหนื่อยเปล่าๆสู้อยู่เฉยๆไม่ดีกว่าไม่ต้องไปดิน้น ทำใจให้สบายให้สงบมีความสุขกับปัจจุบันก็พอแล้วคำถามจะคุณขุนศึกค่ะ 4-5 ห้ามนอกใจภรรยาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสำเร็จความใคร่โดยโมโนภาพหน้ากที่ไม่ใช่ภรรยาเราอย่างนี้สิห 4-5 ไหมนจัาก็ผิดทาใจกนแล้วกันเพราะยังนอกใจอยู่ ผออาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายเขาแต่ใจมันไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเจอเขาก็มันก็จะมันก็จะท ำ, ท, ำทันทีคำถามจากผู้ประสงค์ออกนามค่ะหนูเป็นคนคิดมากกังวลแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากหนูจึงเลือกที่จะไม่ค่อยคบใครไม่ยุ่งกับใครแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ก็ไม่ควรถึงกับขั้นแบบไม่มีใครเลยเพราะบางทีเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเราอยู่กับใครเราก็หัดใช้อุบเบกขาทาใจเฉยๆว่าเาขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราต้องอยู่ด้วยกันก็ให้มีความเมตตาต่อกันใครช่วยเหลือกันดูแลกันไป ก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาก็แล้วกันเขาจะชอบเราไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาแตถา่ถ้าต้องอยู่ด้วยกันก็ให้หัดอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยอุเบกขาอยู่ด้วยพรมวิหารสี่แต่ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ดีแต่อย่าไปเลือกอยู่เพราะเราเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้เพราะบางทีเราอยู่ในโลกนี้บางทีมันยังมีความจําเป็นที่จะต้องร่วมอยู่กับใครก็ต้องอยู่ไป แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ถ้าเลือกได้อยู่คนเดียวได้ดีที่สุดเ <พอ S 1> นี่ยอาจารย์อีกอีกข้อคะอะอีกสักสามข้อก็แล้วกันอ่สามข้อคถามจากคุณณรงค่ะขอทราบ ว, วิธีวิปัสนาครับก็วปิวปัสนาก็คือการเจริญปัญญาไงให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นกับตาลบปัต เราเห็นสิ่งที่ทุกว่าเป็นสุขเราเห็นสิ่งที่เที่ยงไม่เที่ยงว่าเที่ยงเราเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมของทุกอย่างไม่ใช่ของเราเรามาตัวเปล่าเดี๋ยวเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็ไปตัวเปล่าฉะนั้นของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเดี๋ยวเวลาตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไป เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินพอไปท่านก็ยังเอาแผ่นดินไปไม่ได้เลยเอาบัลลังก์ไปไม่ได้ท่านก็ไปตัวเปล่าๆคนอื่นก็มาสวมรอยต่อมาขึ้นบัลลังก์ต่อนี่คือวิปัสสนาคือให้มองความจริงถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์เวลาเราจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็จะเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเร า, เ ป, เ, ราเป็นขัวโขนะ เป็นของใช้ชั่วคราวเป็นของยืมเข้ามาพอถึงเวลาก็คืนเข้าไปเราก็ไปสบายไปอย่างสุขอยู่ก็สุขอยู่แบบไม่หวงไม่หว่วงเพราะต้องรู้ว่ามันไม่แน่นอนจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้จะหมดเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือวิปัสสนาให้เห็นไตรักหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเรา อยาของที่ไม่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงนี่ยมีแค่นี้แหะเรียกว่าวิปัสสนาข้อที่สองคำถามจากคุณสิรีวันค่ะเราทํากับข้าวให้สามีไปวัดแทนเราเราอนุเราอนุโมทนาบุญให้สามีไปถวายกับข้าวเราคนทําได้บุญไหมคะมันขึ้นอยู่ว่าเป็นเงินของใคร่ะเงินที่ไปซื้อของมานี่ถ้าเป็นของทั้งสองคนก็ได้บุญเท่ากัน เราก็จะได้บุญนะตรงที่เราเสียแรงต้องทํากับข้าวเขาก็ได้บุญนะตรงที่เขาต้องเดินเดินทางไปถวายก็ได้คนละแบบในส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นส่วนของเงินถ้าเป็นเงินของของทั้งสองคนก็ได้บุญเท่ากันเนีก็ถ้าถือเป็นเงินสองคนใช่ไหมก็แล้วแต่เราจะถือยังไงหรือเปล่าเรือของใครของมันเราไม่ได้ทํางานหรือว่าเขาให้เงินเดินเราใช้แล้วเราก็เอาเงินมาใช้แล้วก็ไปทําบุญเงี้ยเราได้คนเดียวหรือว่าเขาได้ด้วย ก็เขาได้แล้วตอนที่เขาให้เราไงเขาให้เรานี้ก็เป็นการทําบุญของเขาแล้วไงเขาได้เสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้วถ้าเป็นของเราถ้าเราทําเขาก็ไม่ได้แล้ะถ้าเขาอยากจะร่วมเขาก็ต้องพากกระเป๋ามาเพิ่มแต่บาทีเขาจะเพิ่มค่ะแต่เขาก็ได้แล้วเงินที่เขาให้เรานี้ก็เป็นบุญอยู่แล้วไงอ่งั้นเขาก็ได้แล้วอยังยังเขาเข้าเงินเป็นเงินเดือนเขาเข้าธนาคารอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรา หือว่าเรากับเขาได้ร่วมกันก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงถ้าตกลงว่าของทั้งสองคนใช้ได้ไม่ต้องมาขออนุญาตกันมันก็เป็นสมบัติร่วมกันเอเป็นอันเดียวกันอหรือถ้าเขายกให้เราเอยียงนี้มาทําบุญเขาก็ได้อดา่าหรือถ้าเขายกของเงินเดือนทั้งหมดที่เขามีอยู่ให้เราเขาก็ได้ทันทีละเขาได้ตอนที่ให้เราไปละที่เราจะไปทําบุญหรือไม่ทําบุญเขาไม่ไม่มีไม่ไมีส่วนะ พ่าเขาได้บุญจากการให้เรามาแล้วอีกข้อห<อ>นึง่งค่ะคำถามจากคุณแอนค่ะการกําหนดอสุภะกาห น, นดให้เป็นอารมณ์จะเกิดสมาธิหรือปัญญาคะเกิดทั้งสองอย่างเพราะถ้าเราเห็นมีอสุภะอยู่เรื่อยๆใจมันจะไม่ฟุ้งใจมันจะนิ่งใจจะสงบตัณหาไม่เกิดเนี่ยถ้ามีตัณหาเราใจมันจะฟุ้งมันจะกวนกังวลก ร, วกระสับกระสายหงุดหงิดลาคาญใจ